วิปัสสนาญาณที่สิบเอ็ดสังขารรูปเอกขาญาณสุญญานุปัสสนาการเห็นเนืองๆด้วยความว่างเปล่ามีเงื่อนสองโยคาวจร น, นั้นรั้นกําหนดรู้ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของว่างเปล่าด้วยปฏิสังขานุปัสสนาญาณดังกล่าวมาแล้วนั้น จึงกำหนดสุญญาตาความว่างเปล่ามีเงื่อนสองต่อไปอีกว่าสังขารนี้ว่างเปล่าจากอัตตาหนึ่งหรือว่างเปล่าจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาหนึ่งสุญญตามีเงื่อนสี่โยคาวจอนนั้นรั้นไม่เห็นอัตตาไม่เห็นอะไรอะไรอื่นที่ตั้งอยู่ในภาวะเป็นบริวารของอัตตา ก็กำหนดรู้สุญาตามีเงื่อนสี่ซึ่งท่านกล่าวไว้ในอธิการแห่งสุญาตานุปัสสนานี้ต่อไปอีกว่านาหังกวจนันิไม่มีชั้นอยู่หน้าที่ไหนไหนกัสจิกินจ น, นตะตัสมิงในความเป็นอะไรอะไรของใครๆนาจะมจะมะกวาจันิและไม่มีอยู่หน้าที่ไหนไหนของฉัน้นกิจมินจิกินจนะตันที ไม่มีความเป็นอะไรๆณที่ไหนๆอธิบายความสุญญตามีเงื่อนสี่ถามว่ากำหนดรู้อย่างไรตอบว่าหนึ่งที่จริงคำว่านาหังกวัจจนิไม่มีฉันอยู่ณที่ไหนๆหมายความว่าโยคาวจรผู้นี้ไม่เห็นอัตตาณที่ไหนๆ 2. คำว่ากัจจจิกินจนาตสมิงในความเป็นอะไรอะไรของใครๆหมายความว่าไม่เห็นอัตตาของตอนเองที่พึงนำเข้าไปในความเป็นอะไรอะไรของใครๆอื่นอธิบายว่าไม่เห็นอัตตาที่เป็นพี่ชายน้องชายที่พึงมั่นหมายนาเข้ามาในฐา น, นะเป็นพี่ชายน้องชายหรือว่าไม่เป็นอัตตาที่เป็นสหาย ที่พึงมั่นหมายนาเข้ามาในฐานะเป็นสหายหรือว่าไม่เป็นอัตตาที่เป็นบริขารที่พึงมั่นหมายนำเข้ามาในฐานะเป็นบริขารสในคำว่าณจะมะมะกะวาชนิและไม่มีอยู่หน้าที่ในในของฉันนั้นยกเอาศัพ์ว่ามะมะของฉันออกเสีก่อนเหลือเพียงว่า น่าจะกูวัจนิและไม่มีหน้าที่ไหนๆมีอธิบายอย่างนี้ว่าและไม่เห็นอัตตาของบุคคลอื่นหน้าที่ไหนๆสคราวนี้นำเอาศั์ว่ามมะของฉันมาไว้ในประโยกหลังว่ามมะกิจมินจิกินจะนะตัดทิไม่มีความเป็นอะไรๆหน้าที่ไหนๆของฉัน หมายความว่าไม่เห็นว่าอัตตาของบุคคลอื่นนั้นมีอยู่ในความเป็นอะไรอะไรหน้าที่ไหนๆของฉันอธิบายว่าไม่เห็นอัตตาของบุคคลอื่นที่พึงนำเข้ามาด้วยความเป็นอะไรอะไรนี้ในฐานะไรๆคือว่าเป็นพี่ชายน้องชายในฐานะเป็นพี่ชายน้องชายของตนหรือว่าเป็นสหายในฐานะเป็นสหายของตน หรือว่าเป็นบริขารในฐานะเป็นบริขารของตนรวมความโยคาวจรท่านนี้เพราะเหตุที่หนึ่งไม่เห็นเลยซึ่งอัตตาณี่ไหนไหน 2. ไม่เห็นอัตตานั้นที่พึงนําเข้ามาในความเป็นอะไรอะไรของบุคคลอื่น 3. ไม่เห็นอัตตาของบุคคลอื่นและสี่ ไม่เห็นอัตตาของบุคคลอื่นที่พึงนำเข้ามาในความเป็นอะไรๆของตนเพราะฉะนั้นเป็นอันว่าโยคาวจรท่านนี้กำหนดรู้สุญญาตามีเงื่อนสี่แล้วด้วยประการชนนี้แลสุญญาตาโดยอาการหก รั้นกำหนดรู้สุญญตามีเงื่อนสี่อย่างนี้แล้วโยคาวจรจึงกำหนดรู้สุญญตาโดยอาการหกต่อไปอีกถามว่ากำหนดรู้สุญญตาโดยอาการหกอย่างไรตอบว่ากำหนดรู้ว่าจากขุเป็นของว่างเปล่าจากอัตตาหนึ่งหรือจากสิ่งเนื่องด้วยอัตตาหนึ่งหรือจากความเป็นของเที่ยงหนึ่งหรือจากความเป็นของยั่งยืนหนึ่ง หรือจากความเป็นของคงทนหนึ่งหรือจากความไม่แปรผันเป็นธรรมดาหนึ่งโดยในยาเดียวกันกันกบจักขุโสตคานะชิวหากายใจรูปเป็นของว่างเปลา่าเสียงกลิ่นรสผลทพะธรรมารมเป็นของว่างเปลา่จาจักขุูวิญญาณจนถึงมโนวิญญาณจักขุูสัมผัส เปย์ยานพึงนำไวยาดโดยประการดังกล่าวนี้ไปจนถึงชรามรณะด้วยประการชนี้สุญญตาโดยอาการแปดครั้นกำหนดรู้สุญญตาโดยอาการหกอย่างนี้แล้วจึงกำหนดรู้โดยอาการแปดต่อไปอีกคือกำหนดรู้ดังนี้อย่างไรละ่ะ รูปไม่มีแกนสารหาแกนสารมิได้ปราศจากแกนสารโดยแกนสารมีสาระว่าเทียงหนึ่งหรือโดยแกนสารมีสาระว่าย่างยืนหนึ่งหรือโดยแกนสารมีสาระว่าเป็นสุกหนึ่งหรือโดยแกนสารมีสาระว่าเป็นอัตตาหนึ่งหรือโดยเป็นของเทียงหนึ่งหรือโดยเป็นของย่างยืนหนึ่งหรือโดยเป็นของคงทนหนึ่ง หรือโดยความเป็นของไม่ประภันเป็นธรรมดาหนึ่งโดยในยะเดียวกันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจักขุโสตะจนถึงชราและมรณนะไม่มีแก่นสารหาแก่นสารมิได้ปราศจากแก่นสารโดยแก่นสารมีสาระว่าเที่ยงหนึ่งหรือโดยแก่นสารมีสาระว่าย่งยืนหนึ่ง หรือโดยแก่นสารมีสาระว่าเป็นสุกหนึ่งหรือโดยแก่นสารมีสาระว่าเป็นอัตราหนึ่งหรือโดยเป <sti> ็นของเที่ยงหนึ่งหรือโดยเป็นของยั่งยืนหนึ่งหรือโดยเป็นของคงทนหนึ่งหรือโดยความเป็นของไม่ปราพันเป็นธรรมดาหนึ่งเปรียบเหมือนต้นอ้อไม่มีแก่นหาแก่นไม่ได้ปราศจากแก่นชั้นใดเปรียบเหมือนต้นลาหงไม่มีแก่นหาแก่นไม่ได้ ปราศจากแก่นโดยในยาเดียวกันเปรียบเหมือนต้นมะเดือ่อเปรียบเหมือนต้นกลุ่มเหมือนต้นทองกวาวเหมือนฟองน้ำเหมือนต่อมน้ำพยับแดดเปรียบเหมือนต้นกล้วยไม่มีแก่นชั้นใดเปรียบเหมือนมายาไม่มีแก่นหาแก่นมิได้ปราศจากแก่นชั้นใดรูปไปยานคือจนถึงชราและมรณะก็ฉันนั้นนั่นแล ไม่มีแก่นสารหาแก่นสารมิได้ปราศจากแก่นสารโดยแก่นสารมีสาระว่าเที่ยงหนึ่งไปยานคือจนถึงโดยความเป็นของไม่ปราันเป็นธรรมดาหนึ่งดังนี้สุญญาตาโดยอาการสิบโยคาวจร น, นั้น ครั้นกำหนดรู้สุญาตาโดยอาการแปดอย่างนี้แล้วจึงกำหนดรู้โดยอาการสิบต่อไปอีกถามว่ากำหนดรู้อย่างไรตอบว่าโยคาวจอนผู้นั้นเห็นอยู่ซึ่งรูปโดยความเป็นของว่างหนึ่งเห็นอยู่โดยความเป็นของว่างเปล่าหนึ่งโดยความเป็นของศูนย์หนึ่งโดยความเป็นอนัตตาหนึ่ง โดยความไม่มีผู้เป็นใหญ่หนึ่งโดยความไม่เป็นของพึงกระทาได้ตามปรารถนาหนึ่งโดยความเป็นของอันบุคคลไม่พึงบรรลุถึงหนึ่งโดยเป็นของไม่เป็นไปในอํานาจหนึ่งโดยความเป็นปรปักษ์หนึ่งและโดยความเป็นของว่างหนึ่งโดยในยะเดียวกันเห็นอยู่ซึ่งเวทนาจนถึงวิญญาณโดยความเป็นของว่างเป็นต้น เช่นเดียวกับเรื่องของรูปดังนี้สุญญตาโดยอาการสิบสองครั้นกำหนดรู้สุญญตาโดยอาการสิบอย่างนี้แล้วจึงกำหนดรู้โดยอาการสิบสองต่อไปอีกคือกำหนดรู้ดังนี้รูปมิใช่สัตว์มิใช่ชีวะมิใช่คนมิใช่มานบ มีใช่สตรีมีใช่บุรุษมีใช่อัตตามีใช่ของเนื่องด้วยอัตตามีใช่เรามีใช่ของเรามีใช่ของบุคคลอื่นและมีใช่ของใครๆเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็กำหนดเช่นเดียวกันนั้นสุญญาตาโดยอาการสี่สิบสอง ครั้นกำหนดรู้สุญญาตาโดยอาการสิบสองอย่างนี้แล้วจึงกำหนดรู้สุญยาตาโดยอาการสี่สิบสองด้วยติรณะปริญญาคือการกำหนดรู้ด้วยความไตรตรองต่อไปอีกกล่าวคือเห็นอยู่ซึ่งรูปอันนีจะโตโดยความไม่เที่ยงทุกขะโตโดยเป็นทุกโรคะโตโดยเป็นโรคคันทะโตโดยเป็นหัวฝี สัน ล, ละโตโดยเป็นลูกศรเสียบอคคโตโดยความชั่วร้ายอาภาตตโตโดยความป่วยไข้ประโตโดยเป็นปรปักปโลกโตโดยความแตกทาลายอีติตโตโดยความหายนะคือจันไรอุปัททวะโตโดยเป็นอุปัททวะพยะโตโดยเป็นภัย อุปสักขโตโดยเป็นอุปสักจลโตโดยความหวั่นไหวปพังคู่โตโดยความผุพังอธุวะโตโดยความไม่ยั่งยืนอตานะโตโดยไม่เป็นที่ต้านทานอเลนะโตโดยไม่เป็นที่หลบหลีอสาระนะโตโดยไม่เป็นที่พึ่งอสารณนีภูตตะโต โดยเป็นสิ่งที่ถือเป็นที่พึ่งไม่ได้ริตตโตโดยเป็นของว่างตุจฉตโตโดยเป็นของว่างสุญญตโตโดยเป็นของศูนย์อนัตตโตโดยไม่มีอัตตาอนัสสาทะโตโดยหาความอบอุ่นใจไม่ได้อธินวัโตโดยเป็นโทษร้ายวิปริณามัรมโต โดยมีความแปรผันไปเป็นธรรมดาอสารกะโตโดยหาแก่นสารไม่ได้อคฆมู ล, ละโตโดยเป็นมูลแห่งความชั่วร้ายวัฏกตะโตโดยเป็นฆาตกรวิภวะโตโดยปราศจากความเจริญสาสวะโตโดยมีอาสวะสังคตะโต โดยเป็นของถูกปรุงแต่งไว้มารามิสโตโดยเป็นเหยื่อล่อของมารชาติธรรมโตโดยมีความเกิดเป็นธรรมดาชราธรรมโตโดยมีความแก่เป็นธรรมดาพยาธิธรรมโตโดยมีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาบมรนาธรรมโตโดยมีความตายเป็นธรรมดาโสกะปริเทวะทุกขับโทมนัส สุ ป, ปายาสธรรมโตโดยมีความโศกมีความกร่ำมครวญมีทุกข์มีความโทมนัสมีความคับแค้นใจเป็นธรรมดาสมุทยโตโดยเป็นแดนเกิดอัดฐังคมโตโดยการถึงความดับศูญนิสสรณโตโดยเป็นของควรหลีกนี้ไป กำหนดรู้ซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาสังขารและวิญญาณโดยในยะเดียวกันอันหนึ่งท่านกล่าวคําต่อไปนี้ไว้ว่าเมื่อเห็นรูปโดยความไม่เที่ยงไปยานโดยเป็นของควรหลีกหนีไปชื่อว่าเห็นโลกโดยความเป็นของว่างเปล่าเมื่อเห็นเวทนาจนถึงวิญญาณโดยความไม่เที่ยง จนถึงโดยเป็นของควรหลีกหนีไปชื่อว่าเห็นโลกโดยความเป็นของว่างเปล่าสมด้วยพระพุทธดำรัสปิรัสแก่ท่านโมคราชว่าดูก่อนโมคราชท่านจงเป็นผู้มีสติตลอดเวลามองเห็นโลกโดยความเป็นของว่างเปล่าพึงถอนอั ต, ตานุทิฏฐิคือความเห็นเนืองๆว่ามีอัตตาเสียจึงจะเป็นผู้ข้ามพ้นมรตยู ด้วยอาการอย่างนั้นมัจูราชมองหาไม่เห็นบุคคลผู้มองเห็นโลกอย่างนี้วิโมกขะกะถาครั้นโยคาวจรเห็นโลกด้วยความเป็นของว่างเปล่าอย่างนั้นแล้วยกขึ้นสู่พระไตรลักษณ์กำหนดรู้สังขารทั้งหลายอยู่ ก็ละความกลัวและความพึงพอใจเสียได้เป็นผู้มีตนเป็นกลางวางเฉยในสังขารทั้งหลายไม่ถือว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราเป็นเหมือนบุรุษผู้อยากขาดภริยาแล้วสังขารรูปเปกขายานเปรียบด้วยบุรุษผู้อยากขาดภริยาเล่ากันว่าบุรุษ ผู้มีภริยาเป็นที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพึงพอใจปราศจากภริยานั้นเสียแล้วเขามิสามารถทนอยู่ได้แม้แต่ครู่เดียวเขารักภริยานั้นเสียเหลือเกินบุรุษผู้นั้นเห็นสตรีผู้เป็นภริยานั้นเดนอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีหรือนอนอยู่ก็ดีพูดอยู่ก็ดีหวเรา อ, อยู่ก็ดีกับบุรุษอื่นเขาก็โกรธขัดเคืองใจ ประสบโทมนัสเป็นอย่างยิ่งครั้นการต่อมาบุรุษนั้นได้เห็นโทษชั่วร้ายของสตรีผู้นั้นก็มีความปรารถนาที่จะพ้นจากเธอจึงอยากขาดเธอไม่ถือหญิงนั้นว่าเป็นของเราจำเดิมแต่นั้นมาแม้เขาจะเห็นเธอทำอะไรอะไรอยู่กับใครๆก็ไม่โกรธเคืองไม่ถึงความโทมนัส มีตนเป็นกลางวางเฉยได้โดยแท้ชื่อฉันใดโยกาวจรผู้นี้ก็เหมือนกันฉันนั้นเป็นผู้มีความปรารถนาเพื่อพ้นไปเสียจากสังขารทั้งปวงกําหนดรู้สังขารทั้งหลายอยู่ด้วยปฏิสังขานุปัสนาไม่เห็นความที่สังขารทั้งหลายเป็นของที่พึงถือเอาได้ว่าเป็นเราเป็นของเรา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 วางเฉยอยู่หรือถอยกลับมาตั้งมั่นอยู่เปรียบเหมือนหยดน้ำในใบบัวซึ่งขอบใบง อ, อนิดๆกลิ้งกลับอยู่วกกลับอยู่กล อ, อกกลับอยู่ไม่แผ่กระจายไปชื่อแม้ชันใดจิตของโยคาวจรก็ชันนั้นเหมือนกันเปรียบเหมือนขนไก่หรือสายเอ็นที่เขาใส่เผาในไฟ ก็งอกลับงอนกลับวกกลับไม่เหยียดยืดออกชื่อแม้ฉันใดจิตของโยคาวะจรก็ฉันนั่นเหมือนกันถอยกลับหวนกลับวกกลับไม่แพร่กระจายไปในภพสามในกาเนิดสีในคติห้าในวิญญาณอาทิติ7เจ็ดในสัตตาวาทเก้าวางเฉยอยู่หรือถอยกลับตั้งมั่นอยู่ เป็นอันว่ายานชื่อสังขารุเปกขายานเกิดขึ้นแล้วแกโยคีท่านนั้นด้วยประการชนีอุ ป, ปมาด้วยนกกาวรูทิศแต่ว่าสังขารุเปกขายานที่เกิดขึ้นแล้วนี้นั้นถ้าเห็นพระนิพพานอันเป็นทางสันติโดยความสงบก็จะสลัดทิ้งความเป็นไปของสังขารทั้งปวง แล้วล่นเข้าสู่พระนิพพานเลยทีเดียวหากว่ายังไม่เห็นพระนิพพานโดยความสงบสังขารุปเปกหายานนั้นก็มีสังขารเป็นอารมณ์อย่างเดียวและดําเนินไปอยู่แล้วๆเล่าๆ เ, เ, เ, เปรียบเหมือนนกกาของพวกพ่อค้าเดินเรือทะเลเล่ากันมาว่าพวกพ่อค้าเดินเรือทะเลสมัยโบราณเมื่อจะขึ้นเรือเดินทางไปในมหาสมุทร ได้จับเอานกกาที่เรียกว่าทิสากากะคือนกกาผู้รู้ทิศไปด้วยคราวใดเรือถูกลมพายุซัดไปยังประเทศต่างถิน่นฝั่งก็ไม่ปรากฏคราวนั้นพวกพ่อค้าเหล่านั้นก็ปล่อยการู้ทิศไปกานั้นก็โดดจากไม้สลักเสารกระโดงเรือขึ้นสู่อากาศแล้วบินไปตามทิศใหญ่ทิศน้อยทั่วทุกทิศถ้ามันเห็นฝั่ง มันก็บินมุ่งหน้าไปยังฝั่งนั้นเลยหากว่ามันไม่เห็นฝั่งมันก็บินกลับมาเกาะ อ, อยู่ที่ไม้สลักเสากระโดงเรือนั่นเองครั้งแล้วครั้งเล่าสังขารรู้เปกขายานก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าเห็นพระนิพพานอันเป็นทางสันติด้ดยความสงบก็สลัดทิ้งความเป็นไปของสังขารทั้งปวงแล้วแล่นเข้าสู่พระนิพพานเลยทีเดียวหากว่ายังไม่เห็นพระนิพพาน ก็มีสังขารเป็นอารมณ์อยู่นั่นแหละดำเนินไปแล้วแล้วเล่าเสังขารรูปเปกขายานี้นั้นเปรียบเหมือนมเมล็ดแป้งที่กลิ้งกระทบอยู่ณขอบกระดง้งฝัดหรือเปรียบเหมือนมเมล็ดฝ้ายที่เขาหีบออกจากฝ้ายกลิ้งกระทบอยู่ครั้นกําหนดรู้สังขารทั้งหลายโดยประการต่างๆแล้วก็สลัดทิ้งความกลัวและความพึงพอใจเสีย มีตนเป็นกลางวางเฉยในการพิจารณาเลือกเฟ้นสังขารตั้งอยู่โดยอนุปัสนาสประการสังขารรูปเอกขายานที่ตั้งอยู่อย่างนี้ก็มาถึงความเป็นวิโมกขมุกประตูแห่งวิโมกคือนิพพานสมประการเป็นปัจจัยแห่งการจำแนกพระอริยบุคคลเจ็ดจำพวก ว่าด้วยวิโมกสามในการถึงความเป็นวิโมกขมุขและความเป็นปัจจัยแห่งการจำแนกพระอริยบุคคลเจ็นั้นนับว่าวิปัสสนาญาณนี้มาถึงความเป็นวิโมกขมุกสามอย่างโดยความเป็นอธิบดีคือความยิ่งใหญ่ของอินทรีสามได้แก่สัทธาอินทรีหนึ่งสมาธิอินทรีหนึ่งและปัญญอินทรีหนึ่ง เพราะดำเนินไปด้วยอนุปัสนาสามประการเพราะท่านกล่าวว่าอนุปัสนาสามก็คือวิโมกขมุกสามดังพระบาลีแปลความได้ว่าอันว่าวิโมกขมุกสามนี้แหละดำเนินไปเพื่อออกไปจากโลกกล่าวคือเพื่อเห็นอยู่เสมอเนืองๆซึ่งสังขารทั้งปวงโดยขอบเขตและโดยวนรอบหนึ่ง เพื่อให้จิตลั่นเข้าสู่ธาตุหานิมิตไม่ได้คือพระนิพพานหนึ่งเพื่อเร่งเร้าใจให้จดจ่ออยู่เสมอในสังขารทั้งปวงหนึ่งเพื่อให้จิตลั่นเข้าสู่ธาตุหาทิ่ิตั้งกิเลสไม่ได้หนึ่งเพื่อเห็นอยู่เสมอเนืองเนืองซึ่งธรรมะทั้งปวงโดยความเป็นปรปักษ์หนึ่ง และเพื่อให้จิตลั่นเข้าสู่ธาตุอันว่างเปล่าหนึ่งวิโมกขมุกสามนี้ดำเนินไปเพื่อออกไปจากโลกดังนี้คำว่าโดยขอบเขตและโดยวนรอบในคำแปลพระบาลีนั้นความหมายว่าโดยกำหนดขอบเขตอยู่ด้วยความเกิดและความดับ และโดยวนรอบด้วยความเกิดและความดับเพราะว่าอ น, นิจจานุปัสสนากำหนดขอบเขตว่าก่อนแต่เกิดขึ้นสังขารทั้งหลายหามีไม่แล้วติดตามดูภูมิที่ไปของสังขารทั้งหลายเหล่านั้นอยู่เสมอก็เห็นอยู่เสมอเนืองๆด้วยวนรอบเป็นวงกลมว่าหลังจากดับสังขารทั้งหลายเหล่านั้น หาดำเนินไปที่อื่นไม่แต่อันประธานไปณที่นั้นนั่นเองคำว่าเพื่อเร่งร้าใจให้จดจ่ออยู่เสมอหมายความว่าเพื่อให้จิตเกิดสังเวชเพราะว่าด้วยทุกขานุปัสสนาการเห็นเนืองๆโดยความเป็นทุกข์จิตก็สังเวชในสังขารทั้งหลาย คำว่าเพื่อเห็นอยู่เสมอเนืองเนืองโดยความเป็นปรปักหมายความว่าเพื่อเห็นอยู่เสมอเนืองเนืองโดยไม่มีอัตตาอย่างนี้ว่าไม่มีเราไม่มีของเราบททั้งสามนี้พึงทราบว่าท่านกล่าวด้วยอนุปัสนาสามมีอนิจจานุปัสนาเป็นต้นด้วยประการชะนี้ เพราะเหตุนั้นแหลในการวิจัรณาปัญหาในลำดับต่อจากนั้นไปท่านจึงกล่าวไว้ว่าเมื่อมนสิการอยู่โดยความเป็นของไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายปรากฏโดยความสิ้นไปเมื่อมนสิการอยู่โดยความเป็นทุกข์สังขารทั้งหลายปรากฏโดยความน่ากลัวเมื่อมนสิการโดยความไม่มีอัตตา สังขารทั้งหลายปรากฏโดยความว่างเปล่าดังนี้ถามว่าแต่ถ้าว่าวิโมกทั้งหลายซึ่งมีอนุปัสสนาเหล่านี้เป็นมุกนั้นคืออะไรบ้างตอบว่าได้แก่วิโมกสามเหล่านี้คืออ น, นิมิตะวิโมกหนึ่งอปปนิหิตะวิโมกหนึ่งและสุญตะวิโมกหนึ่ง ความจริงท่านก็กล่าวคำนี้ไว้แล้วว่าโยคาวจรผู้มานสิการอยู่โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นผู้มากด้วยอธิโมกคือความเชื่อก็ได้เฉพาะซึ่งอนิมิตะวิโมกโยคาวจรผู้มานสิการอยู่โดยความเป็นทุกข์เป็นผู้มากด้วยปัสสธิคือความสงบก็ได้เฉพาะซึ่งอัปะนิหิตะวิโมก โยคาวจรผู้มนสิการอยู่ด้วยความไม่มีอัตตาเป็นผู้มากด้วยความรู้ก็ได้เฉพาะซึ่งสุญญตะวิโมกดังนี้อันหนึ่งในวิโมกสามนี้พึงทราบว่าอริยมรรคที่ทำพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วดำเนินไปโดยอาการหานิมิตไม่ได้คืออ น, นิมิตตวิโมก เพราะว่าอาริยมรรคนั้นชื่อว่าอนิมิตตเพราะเกิดขึ้นจากทตาที่หานิมิตไม่ได้และชื่อว่าวิโมกเพราะพ้นแล้วจากกิเลสทั้งหลายและพึงทราบโดยนิย่านี้เช่นกันว่าอาริยมรรคที่ทำพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วดำเนินไปเดียวอาการหากิเลสเป็นที่ตั้งไม่ได้คืออัปปนิหิตะวิโมก อริยามากที่ทำพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วดำเนินไปโดยอาการว่างเปล่าคือสุญญตะวิโมกแต่วิโมกที่กล่าวไว้ในพระอภิธรรมมีเพียงสองอย่างเท่านั้นซึ่งท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่าในสมัยใดพระภิกษุทำโล ก, กุตราชานเป็นเครื่องออกไปจากโลกถึงความไม่สะสมไว้ให้เกิดขึ้น เพื่อละเสียซึ่งความเห็นผิดทั้งหลายเพื่อบรรลุปฐมภูมิคือโสดาปฏิผลว่างเว้นแล้วโดยแท้จากการทั้งหลายปรียนเข้าถึงฌานที่หนึ่งอันเป็นอัปปณิหิตะอยู่ปรียณเข้าถึงฌานที่หนึ่งอันเป็นสุญเตะอยู่ที่กล่าววิโมกในพระอภิธรรมมีเพียงสองนั้นท่านกล่าวหมายถึงการมาของมรรค โดยทางวิปัสนาโดยตรงเพราะถึงแม้ว่าท่านได้กล่าวถึงวิปัสนาญาณไว้ในคำพีปฏิสัมพิธามาแล้วว่าเป็นสุญญตาวิโมกด้วยการปลดเปลื่องเสียซึ่งความยึดมัน่นโดยอธิบายอย่างนี้ว่าอานิจจานุปาานัสนาญาณชื่อว่าสุญญตาวิโมกเพราะปลดเปลื่องเสียซึ่งความยึดมัน่นว่าเป็นของเที่ยง ทุกขานุปัสนาญาณชื่อว่าสุญ Mo, ตาวิโมกราะปลดเรื่องเสียซึ่งความยึดม so ั่นว่าเป็นสุขอนาตตานุปัสนาญาณชื่อว่าสุญตาวิโมกราะปลดเรื hmm. ่องเสียซึ่งความยึดมั่นว่ามีอัตตาดังนี้อย่างหนึ่งเป็นอนิมิตาวิโมกด้วยการปลดเลื่องเสียซึ่งนิมิตโดยอธิบายอย่างนี้ว่า อนิจจานุปัสสนาญาณชื่อว่าอนิมิตาวิโมกเพราะปลดเรื่องเสียซึ่งนิมิตว่าเป็นของเที่ยงทุกขานุปัสสนาญาณชื่อว่าอนิมิตาวิโมกเพราะปลดเรื่องเสียซึ่งนิมิตว่าเป็นสุขอนัตานุปัสสนาญาณชื่อว่าอนิมิตาวิโมกเพราะปลดเรื่องเสียซึ่งนิมิตว่ามีอัตตาดังนี้อย่างหนึ่ง <ส> <Edge> และว่าเป็นอปปนิหิตะวิโมกด้วยการปลดเรื่องเสียซึ่งตันหาเป็นที่ตั้งมั่นคือปณิทิโดยอธิบายอย่างนี้ว่าอนิจจานุปัสนาญาณชื่อว่าอปปนิหิตะวิโมกเพราะปลดเรื่องเสียซึ่งปณิทิว่าเที่ยงทุกขานุปัสนาญาณชื่อว่าอปปนิหิตะวิโมกเพราะปลดเรื่องเสียซึ่งปณิทิว่าเป็นสุข อนัตตานุปาานัสสนาญาณชื่อว่าอปินิหิตาวิโมกเราะปลดเรื่องเสียซึ่งปณิธิว่ามีอัตตาดังนี้อย่างหนึ่งแม้อย่างนั้นก็ตามวิปัสสนาญาณนั้นก็หาเป็นอนิมิตะโดยตรงไม่เพราะอย่างละนิมิตคือสังขารมิได้แต่ถ้าว่าเป็นทั้งสุญญาตา และอปปนิหิตตโดยตรงและด้วยการมาของมัคโดยวิปัสนาญาณนั้นท่านจึงยกวิโมกขึ้นไว้ในขณะแห่งอริยมัคเพราะฉะนั้นพึงทราบถึงว่าท่านกล่าวถึงวิโมกไว้ในพระอภิธรรมเพียงสองเท่านั้นคืออปปนิหิตตวิโมกและสุญตะวิโมก กล่าวด้วยวิโมกในอธิการแห่งวิปัสสนานี้เพียงนี้ก่อนพระอริยะบุคคลเจ็ดจำพวกคำใดที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่าสังขารูปเปกขายานเป็นปัจจัยแก่การจำแนกพระอริยบุคคลเจ็ดจำพวก พระอริยะบุคคลเจ็ดจำพวกในคำกล่าวข้างต้นนั้นก่อนอื่นได้แก่พระอริยาบุคคลเจ็ดจำพวกเหล่านี้คือหนึ่งสัทธานุสารีผู้ดำเนินไปด้วยศรัทธาสองสัทธาวิมุตติผู้พ้นพิเศษด้วยศรัทธาสกายสักขี ผู้มีนามกายเป็นสักขีพยานสอุพัโตภาคาวิมุตผู้ พ, พ้นพิเศษโดยส่วนทั้งสองหธรธัมมานุสารีผู้ดำเนินไปด้วยธรรมะคือปัญญา 6. ทิฏฐิปตตาผู้บรรลุด้วยการเห็นอริยมรรคและเจ็ ปัญญาวิมุตตผู้ พ, พ้นพิเศษด้วยปัญญาสังขารุเปเกขาญาณนี้เป็นปัจจัยแก่การจำแนกพระอริยบุคคลเจ็ดจำพวกเหล่านั้นด้วยและเพราะว่าท่านผู้ใดมนสิการโดยความไม่เที่ยงเป็นผู้มากด้วยอธิมโมกข์คือความเชื่อได้เฉพาะซึ่งสัตทินสีท่านผู้นั้นเป็นสัทธานุสารี ในขณะบรรลุโซดาปฏิมักในศัทธาวิมุตในเจดฐานะคืออริยมรรคอริยผลนอกนี้ส่วนท่านผู้ใดมณสิกาอยู่โดยความเป็นทุกข์เป็นผู้มีปัสสธิคือความสงบมากได้เฉพาะซึ่งสมาธินีท่านผู้นั้นชื่อว่าเป็นกายสักขีในทุกฐานะ คือในอริยามรรคอริยผลทั้งแปดแต่ท่านผู้ได้อารูปฌานแล้วบรรลุอริยผลสุดยอดแล้วเป็นผู้มีนามว่าอุปัตโตภาคาวิมุตตส่วนท่านผู้ใดมณสิการอยู่โดยความเป็นอนัตตาเป็นผู้มีความรู้มากได้เฉพาะซึ่งปัญญีท่านผู้นั้น เป็นธรรมานุสารีในขณะโซดาปฏิมักและเป็นทิฏฐิปั ต, ตะในหกทานะและเป็นปัญญาวิมุตในผลสุดยอดคืออรหัตผลเป็นความจริงท่านกล่าวไว้ดังนี้ว่าสำหรับท่านผู้มณสิการอยู่โดยความไม่เที่ยงสัตว์ทินซีมีประมาณมากท่านผู้มณสิการได้บรรลุโซดาปฏิมัก เพราะสัตทินสีมีประมาณมากเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัทธานุสารีอันหนึ่งท่านยังกล่าวไว้ด้วยว่าสำหรับผู้มณสิการอยู่โดยความไม่เที่ยงสัตทินสีย่อมมีประมาณมากเพราะเหตุที่สัตทินสีมีประมาณมากจึงเป็นอันทาให้แจ้งแล้วซึ่งโสดาปฏิพลเพราะฉะนั้นจึงเรียกท่านว่าสัทธาวิมุต ดังนี้เป็นต้นทั้งยังเดีกล่าวไว้อีกว่าเรียกว่าศรัท ธ, ธาวิมุตตเพราะผู้เชื่ออยู่เป็นผู้พ้นพิเศษแล้วเรียกว่ากายสัก ข, ขีเพราะทำให้เห็นแจ้งแล้วในลำดับแห่งอรูปฌานที่ตนสัมผัสแล้วเรียกว่าทิฏฐิปั ต, ตะเพราะบรรลุแล้วในลำดับแห่งการเห็น อันหนเรียกว่าศรัท ธ, ธาวิมุตต์เพราะเชื่ออยู่จึงพ้นพิเศษเรียกว่ากายสักขีเพราะถูกต้องซึ่งการสัมผัสด้วยฌานก่อนจึงทําให้เห็นแจ้งซึ่งนิโรธคือพระนิพพานในภายหลังเรียกว่าทิฏฐิปั ต, ตะเพราะรู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วเห็นแจ้งแล้วสัมผัสแล้วด้วยปัญญาคือยานกําหนดรู้ว่า สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์นิโรธคือความดับเป็นสุขดังนี้ส่วนในอีกสี่บทนั้นพึงทราบความหมายของคาอย่างนี้คือท่านผู้ใดดำเนินตามศรัทธาหรือว่าดำเนินไปคือไปด้วยศรัทธาเพราะเหตุนี้ท่านผู้นั้นชื่อว่าศรัทธานุสารีอันหนึ่ง ท่านผู้ใดดำเนินตามธรรมะกล่าวคือปัญญาหรือดำเนินตามไปด้วยธรรมะคือปัญญาเพราะเหตุนี้ท่านผู้นั้นชื่อว่าธรรมานุสารีเช่นกันท่านผู้ใดผลพิเศษแล้วโดยส่วนทั้งสองคือด้วยอรูปฌานและด้วยอริยมรรคเพราะเหตุนี้ท่านผู้นั้นชื่อว่าอุปโตภาควิมุต ท่านผู้ใดกำหนดรู้อยู่เป็นผู้พ้นพิเศษแล้วเพราะเหตุนี้ท่านผู้นั้นชื่อว่าปัญญาวิมุตต์ด้วยประการดังกล่าวมาชนนี้สังขารุปเปกขายานมีสามชื่อแต่ว่าสังขารุปเปกขายานนี้นั้นโดยความหมาย ก็เป็นยานเดียวกันกับสองยานข้างต้นคือมุนจิตุ ก, กรรมยตายานและปฏิสังขานุปัสนายานเพราะเหตุนั้นท่านพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่าสังขารุปเปกขาญาณ น, นี้ยานเดียวนั้นแหลได้ชื่อสามชื่อคือเกิดขึ้นในตอนต้นมีชื่อว่ามุนจิตุ ก, กรรมยตายานเกิดขึ้นในตอนกลางมีชื่อว่า ปฏิสังขานุปาานัสสนาญาณและในตอนท้ายที่บรรลุถึงยอดมีชื่อว่าสังขารุปเปกขาญาณถึงแม้ในพระบาลีปฏิสัมพิธามัคท่านก็กล่าวไว้ดังคำแปล ต, ต่อไปนี้ว่าถามปัญหาในความปรารถนาเพื่อพ้นไปในการพิจารณาทบทวนและในการตั้งเฉยอยู่ เป็นสังขารุปเกขายานคืออย่างไรตอบคือปัญหาในความปรารถนาเพื่อพ้นไปในการพิจารณาทบทวนซึ่งความเกิดขึ้นของสังขารและในการตั้งเฉยอยู่ชื่อว่าสังขารุปเกขายานปัญญาในความปรารถนาเพื่อพ้นไปในการพิจารณาทบทวนและในการตั้งเฉยอยู่ ซึ่งความเป็นไปซึ่งนิมิตเปรยานคือจนถึงซึ่งอุปายาตชื่อว่าสังขารุปเปกข า, าญาณปัญญาในความปรารถนาเพื่อพ้นไปในการพิจารณาทบทวนและในการตั้งเฉยอยู่ว่าความเกิดขึ้นเป็นทุกขเปยานเป็นสิ่งน่ากลัวว่ามีอามิตรเปรยาน ความเกิดขึ้นเป็นสังขารเปยกานจนถึงว่าอุปายาตเป็นสังขารชื่อว่าสังขารรูปเปกหายานดังนี้ความปรัชนาเพื่อพ้นไปหนึ่งการพิจารณาทบทวนนั้นหนึ่งและการตั้งเฉยอยู่หนึ่งชื่อว่ามุนจิตุ ก, กรรมยตาปฏิสังขาสันติธนา ในพระบาลีดังคำแปลข้างต้นนั้นเมื่อโยคีเบื่อหนายดุนิพิทายาในตอนตอน้นด้วยประการชนิดแล้วก็มีความปรารถนาที่จะสลัดทิ้งซึ่งความเกิดขึ้นของสังขารทั้งหลายเป็นต้นชื่อว่ามุนจิตุ ก, กามตาการพิจารณาทบทวนในตอนกลางเพื่อทาอุบายแห่งการพ้นไปจากสังขารทั้งหลาย ชื่อว่าปฏิสังขาการพ้นไปแล้ววางเฉยอยู่ในตอนสุดท้ายชื่อว่าสันติธนาซึ่งท่านระบุถึงแล้วกล่าวไว้ว่าความเกิดขึ้นเป็นสังขารพระภิกษุวางเฉยซึ่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเพราะเหตุ น, นั้นจึงชื่อว่าสังขารุปเปกขาดังนี้เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ยา น, นี้จึงเป็นยานเดียวเท่านั้นอีกประการหนึ่งพึงทราบแม้โดยพระบาลีนี้ไว้ด้วยว่ายา น, นี้เป็นยานเดียวเท่านั้นที่จริงท่านก็กล่าวไว้แล้วดังนี้ว่าความปรารถนาเพื่อพ้นไปหนึ่งการเห็นหนึ่งเดียุด้วยการพิจารณาทบทวนหนึ่งและการวางเฉยในสังขารหนึ่ง ธรรมะคือยานทั้งหลายเหล่านี้มีความหมายอย่างเดียวกันพยาญชนะเท่านั้นที่ต่างกัน